ดีดธรรมบัญญายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยรัพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวศั ก, กวรรณตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรมเรื่องที่หนึ่งช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถํากลางประชาคมโลกบรรยายเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2549ท่านพระเถรานุเถระที่รักนับถือทุกท่านเริ่มจากแต่ท่านเจ้าคุณ ะธรรมโกศาจารย์ที่ได้เอื้อเฟื้อมาเปิดงานเป็นประธานตั้งแต่เช้าและท่านที่รู้จักกันสนิทสนมคุ้นเคยหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติาศาสนกิจอยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะหลวงพ่อวัดเสือคื อ, อท่านพระครูโสพลสิทธิการซึ่งมีนับใจเมตตาอย่างยิ่ง และขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทั้งหลายทั้งโยมที่เป็นชาวถิ่นศรีประจัน์ชาวสุพรรณบุรีและโยมที่เดินทางมาจากถิ่นอื่นเช่นกรุงเทพทั้งท่านที่เป็นชาวถิ่นเดิมที่นี่แต่ว่าได้ออกไปตั้งหลักฐานในถิ่นอื่น ก็ย้อนกลับมาเยี่ยมถิ่นศีประจันนี้และก็โยมที่อยู่ในจังหวัดอื่นเช่นกรุงเทพก็มีน้ําใจให้โอกาสหรือจะเรียกว่าให้เกียรติมาร่วมในงานนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความมีน้ําใจเป็นกุศลก็ถือว่าได้มาทําบุญร่วมกันวันนี้ก็เป็นการที่ได้ทําสิ่งที่ถือว่า เป็นสิริมงคลให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีโดยที่มีนับใจก็เจาะจงมาที่อัตมภาพในเมื่อปลารบมาที่ตัวอาตภาพเองก็เป็นเรื่องที่แน่นอนว่าเจ้าตัวจะต้องแสดงนับใจตอบแทนเมื่อไม่สามารถทำอะไรอื่นก็ได้แต่กล่าวเป็นวาจาก็คือขออนุโมทนา ขอบพระคุณและขอบคุณขอบใจทุกๆ ท, ท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสามัคคีแล้วก็มีคุณธรรมเช่นมีศรัทธาศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในบุญในกุศลแล้วก็มีน้ําใจประกอบด้วยเมตตาธรรมไมตรีจิตมิตรภาพเป็นต้นรวมแล้วก็คือว่าทําให้เกิดความสามัคคีแล้วก็มา ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดงานขึ้นดังที่ปรากฏอยู่ในบัตรนี้แต่ในส่วนของอาถภาพเองนั้นนอกจากอนุโมทนาแล้วก็ต้องขออภัยไปพร้อมกันที่ต้องขออภัยก็ที่เห็นง่ายง่ายก็คือควรจะมาตั้งแต่เช้าและเดิมนั้นทางคณะกรรมการก็จัดกำหนดการให้มาตอนเช้าด้วย แต่ก็ติดขัดต้องขอโอกาสว่ามาเฉพาะตอนบ่ายนี่ก็เหมือนกับว่ามีน้ำใจตอบแทนโยไม่เต็มที่ก็เป็นเหตุให้ต้องขอภัยเมื่อขอภัยก็ต้องมีเหตุผลในการขอภัยก็จึงต้องขอโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลนิดหน่อยก็เป็นเรื่องไม่มีอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บคายได้ป่วย ความจริงเวลานี้ไม่ใช่โอกาสที่จะมาเล่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยกันแต่ก็ต้องขอภัยที่จะเล่าเล็กน้อยพอให้ได้เป็นส่วนอ้างอิงคือเหตุผลที่จะยกมาพูดแล้วก็รู้กันแล้วก็จะได้เข้าใจแล้วก็โล่งใจด้วยคือตัรภาพนั้นก็มีปัญหาเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะในช่วงเช้าถึงเที่ยงนี่ ไปไหนถ้าไม่ได้เลยถ้ามีการไปฉันล้วไปอ่านว่าต้องตัดไปเลยพูดง่ายๆสั้นๆรวบรัดว่าฉันเพนหรือฉันเช้าก็ตามฉันเสร็จแล้วต้องรีบนอนภายในประมาณสิบนาทีถ้าไม่ฉะนั้นจะเกิดปัญหาในสมองทีนี้ถ้ายิ่งมีเหตุให้อ่านหนังสือแม้แต่คำเดียวสองคำก็ จะเกิดเรื่องใหญ่ก็ไม่ถึงกับใหญ่โตถึงเข้าโรงพยาบาลแล้วแต่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตในวันนั้นอาจจะเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาไปวันหนึ่งสองวันสมวันตามปกติธรรมาจะไม่มีเลยเรื่องการปวดหัวปวดศีรษะไม่มีตั้งแต่บวชพระมานี่ปวดศีรษะมีอย่างเดียวคือเวลาไปไข้วัดแต่ว่า เวลานี้ถ้าไปอ่านหนังสือหลังฉันแล้วก็เกิดปัญหาได้นี่ก็เรื่องหนึ่งทีทําให้ไม่เฉพาะไม่ได้มาที่นี่ในตอนเวลาเช้าเพลนเท่านั้นแม้แต่ไปที่อื่นก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องระบบทางเดินอาหารเรียกง่ายๆก็คือเรื่องท้องนั่นเองธรรมดาคนถ้าเป็นเรื่องท้องเดินท้องเสียก็เพลีย แต่ทีนี้ขอตอมนี่ถ้าท้องเดินท้องเสียเช่นติดกันสามสี่วันวันละสี่ห้าหกครั้งเจ็ดครั้งสู้ได้แต่มันมีโรคที่กำลังเป็นอยู่เนี้ยจะเรียกโรคหรือไม่ก็แล้วแต่ก็คือว่าไม่ต้องท้องเสียไม่ต้องท้องเดินต้องเรียกว่าท้องคล่อ ง, งท้องคล่องครั้งเดียวเท่านั้นแหละหมดเลยแรง แทบหน้ามืดเกือบทั้งวันระยะ น, นี้ดีขึ้นก็เพลียมากๆแต่จุดที่กระทบกระเทือนที่สุดคือสมองสมองจะเพลียอย่างมากจนกระทั่งว่าบางทีนึกอะไรแทบไม่ออกคิดอะไรแทบไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งนี่พอดีสองสามวันนี้จะมีปัญหานี้มากทีเดียวเน่นก็เลยจะต้องขอภัยเมื่อรู้ทราบเรื่องราวเหตุผลแล้วก็จะได้ เบากันไปทั้งสองฝ่ายผู้พูดเองก็ได้ชี้แจงให้ทราบฝ่ายโยมได้ฟังก็ทราบเรื่องแล้วก็คงให้อภัยทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องของงานนี้ก็ไปอันว่าเป็นเรื่องที่ต้องอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ชาวศรีประจันตลอดไปถึงชาวสุพรรณบุรีแล้วก็ตลอดไปถึง ญาติโยมคนไทยทั้งหลายทั้งในกรุงเทพส่วนกลางทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท่านได้มีน้ำใจได้มารำลึคิดการที่ได้จัดให้มีสิ่งที่เรียกว่าชาติภูมิสถานปออประยุตโตขึ้นซึ่งได้ทาวิธีเปิดไปแล้วแล้วก็ยังได้ตั้งมูนิธิ ชาติภูมิปออประยุทธ์โตด้วยอันนี้มองในแง่หนึ่งก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่เหมือนกับว่าล่ะคือเป็นความตั้งใจที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความสำคัญแก่อัตมภาพบางครั้งก็เรียกกันว่าเชิดชูเกียรติอันนี้เป็นส่วนน้ำใจของท่านทั้งหลายแล้วก็มาตกที่อัตมภาพอัตมภาพเป็นผู้รับ ก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางเป็นจุดรวมน้ำใจนั้นกลายเป็นว่าอัตมภาพนี้มีดีอะไรที่ทำให้โยมเนี่ยได้มาแสดงน้ำใจมาเชิดชูเกียรติอะไรต่างๆนี่มองในด้านหนึ่งก็มองมาที่อัตมภาพแต่ในเวลาเดียวกันถ้ามองกลับอีกทีเนี่ยการจัดงานเนี่ยเป็นการประกาศคุณความดีของผู้จัด คือท่านว่าได้ตั้งใจแล้วแต่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้จัดเนี่ยมีน้ําใจมากมายก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ช่นมีศรัทธามีศรัทธาในความดีมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามมีเมตตาหรือว่ามีพรหมวิหารธรรมทั้งหมดคือธรรมะของพระพรหมพระพรหมก็คือผู้สร้างสร้างงานขึ้นมานี่สร้างงานสําคัญเนี่ยทำให้เกิดมีขึ้น ท่านทั้งหลายมีน้ำใจอย่างนี้แล้วก็ยังมีความสามัคคีเป็นต้นได้มามีความพร้อมเพรียงกันร่วมแรงร่วมใจกันทำงานที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นงานนี้เกิดได้สาเร็จได้เพราะคุณความดีของท่านผู้จัดทำเพราะฉะนั้นการเกิดมีมูนิธิก็ตามชาติภูมิสถานก็ตามนี่มองให้ลึกลงไปเนี่ย ก็คือการประกาศคุณความดีของชาวศรีประจันนั่นเองและก็ความดีของชาวสุพรรณบุรีความดีของญาติโยมที่เกี่ยวข้องแม้จะในถิ่นอื่นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ท่านมีน้ำใจมุทิตาตามหลักพรหมวิหารธรรมสนับสนุนส่งเสริมอย่างเช่นอาจารย์อำนวยจัดเงินเป็นต้นนั่นอยู่ถึงกรุงเทพก็มาร่วมสนับสนุน โดยนมส่วนวราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการจัดการดำเนินการให้เกิดมีสถานที่ละมูลทิฏิดังที่กล่าวมาก็ไปอ่านว่าอันนี้เราจะต้องตระหนักไว้เพราะความมีคุณธรรมของผู้จัดสิ่งต่างๆนี่แหละที่จะทำให้ความเจริญก้าวหน้าเป็นไปได้ถ้าลำพังมีอัตมภาพมีคุณความดีอะไรก็ตามเนี่ย มันก็มีไปมันก็จบถ้าไม่มีโยมทั้งหลายไม่มีชาวศีประจันมาจัดมาทํามาเห็นคุณความดีมีคุณความดีมีคุณธรรมในตัวไม่ท่านเหล่านี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วงานนี้ไม่เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นมองดูให้ดีก็ไปอันว่าเนี่ยกิจกรรมงานอะไรต่างๆที่เกิดนี้ขอย้ำอีกทีว่าเป็นการประกาศคุณความดีของชาวศีประจันชาวสุพรรณบุรีและทุกท่านผู้ได้ดำเนินการทั้งหมด แต่ที่กล่าวมานั้นมองอีกทีก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันคือความสัมพันธ์ระหว่างกันก็อาตมภาพด้วยแล้วก็ทางชาวศรีประจันผู้ที่ดําเนินการจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็มาสัมผัสซึ่งกันและกันอิงอาศัยกันและกันจะเกิดมีขึ้นตามหลักธรรม พ, พุทธเจ้าตรัสไว้ที่เราเรียกกันว่าอิหลักอิกทัพกัจยตาหรือหลักปฏิจจสมบุบัติ คือถ้าโยมไม่ปรารบอนุภาพโยมก็ไม่ได้ทำอันนี้แต่ว่าถึงมีอนมภาพแต่ว่าโยมไม่มีชาวศีประจันไม่มีก็ไม่เกิดเหมือนกันนี้ความสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแต่เราใช้เหตุปัจจัยให้มันเป็นไปในทางที่ดีงามถูกต้องแล้วก็เกิดผลที่ดีงามขึ้นมามองไปในแง่หนึ่งเนี่ยที่เกิดเรื่องชาติภูมิสถานเกิดภูมิมูลนิธิชาติภูมิ ทั้งหมดนี้ขึ้นมามองว่าอาตมภาพได้ไปทำสิ่งที่เรียกเป็นความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลเนื่อง ก, กันกับสีประจันทั้งหมดก็คือว่าอาตมภาพจะเกิดมีขึ้นได้ถ้าไม่มีสีประจันทก็เกิดไม่ได้มือกันตั้งแต่ตัวเองนี่แหละเกิดมาก็ไม่ได้แหละ กหมายความว่าตั้งแต่ตัวเองเกิดมามีกําเนิดก็ไม่โยมบิดาบันดาชาวศรีประจันนี้ซึ่งกินไปกว้างขวางแต่ก่อนนี้อำเภอศรีประจันนี้กลุ่มดอนเจดีย์ด้วยดอนเจดีย์แต่ก่อนนี้ก็อยู่ในอำเภอศรีประจันแล้วก็มาแยกไปก็รวมกันหมดแล้วต่อไปอาตมาโตขึ้นมาก็ไปเรียนหนังสือโรงเรียนอนุบาลคุณครูฉเฉลียวแล้วต่อมา โตขึ้นไปเรียนมัธยมที่กรุงเทพอ้าวกรุงเทพก็มีส่วนร่วมที่อัตมภาพจะได้มีชีวิตจะเลยงอกงามขึ้นมาได้เสร็จแล้วอที่ก่อนนั้นก็ไปเรียนโรงเรียนประชาบาชชัยศรีประชาราชชัยศรีประชาราชไม่ทราบปัจจุบันนี้ชื่อยังอยู่หรือเปล่าก็คือโรงเรียนวัดยางนั่นเองก็ไปเรียนปถม หนึ่งถึงปฐมสี่ที่โรงเรียนชัยศรีประชาราศก็คงโรงเรียนวัดยางแล้วก็จบที่นั่นจึงไปที่มัธยมวัดปทุมกรุงคงาที่กรุงเทพแล้วกลับมาก็มาบวชก็เริ่มชีวิตบรรพชิตสามเณรที่วัดบางกลางโดยลุงพ่อเจ้าคุณเมธีธรรมสารตอนนั้นท่านยังเป็นพระครูอยู่เนี่ยก็จเจริญเติบโตไปเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อที่วัด ประสาททองที่อำเภอเมืองเข้ากรุงเทพไปอยู่วัดพระพิเรนกัลุพ่อเทพคุณาทานท่านพระครูประหลัดสมัยกิตติทัตโตก็เลื่อยมาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องเล่าและรายละเอียดแต่ว่าที่มาเป็นอย่างนี้ได้ก็แปลงว่าเนี่ยต้องอาศัยคุณความดีของท่านผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายมากมายยังแต่ญาติพี่น้องวงตระกูลไปจนกระทั่งชาวท้องถิ่นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นที่อาถภาพ ได้เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยพูดรวบลัดว่าชาวศรีประจันเป็นต้นนั่นเองจึงบอกว่าเป็นเรื่องเนื่องกันดังนั้นมองในแง่นี้แล้วก็เท่ากับ ว, ว่าพูดในแง่หนึ่งก็อาจภาพก็เป็นอันหนึ่งในบรรดาผลผลิตของศรีประจันหรือผลผลิตของสุพรรณบุรีแล้วก็ในที่สุดก็ของประเทศไทยด้วยทีนี้ให้บอว่าเป็นผลผลิตผู้ที่ผลิตนี้ต้องมีบทบาทสําคัญ เพราะนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญแก่ผู้ผลิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักกระตันยูกะตะเวทีไว้เพื่อเราจะได้ไม่ลืมตัวว่าผลผลิตที่เกิดมีต้องมีบุพการีขึ้นมาก็แปลอันว่าเมื่อท่านจัดงานให้แก่ลูกหลานก็ต้องนึกถึงปู่ย่าตายายบุพการีผู้ให้กำเนิดด้วยเพราะนั้นวันนี้เราทาบุญทางานเนี่ย โยมจะนึกถึงอัตมภาพอะไรก็คือต้องนึกไปถึงบรรพระบุษบูพการีชาวศรีประจันชาวใกล้เคียงอะไรทั้งหมดสุพรรณบุรีประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเข้าก็เราก็ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองทำให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมีขึ้นเมื่อมองในแง่นี้เป็นอันว่าอาัตมภาพนี้เป็นผลที่เกิดมาโดยอาศัยเหตุปัจจัยที่ดีงามในส่วนอดีต แล้วมองอีกทีหนึ่งเรายังจะต้องก้าวไปอนาคตเมื่ออัตมภาพเป็นต้นเกิดมาอย่างนี้แล้วเราก็จะมาเป็นส่วนร่วมในการที่ว่าประเทศชาติของเราทินชาติภูมิศรีประจันเป็นต้นเนี่ยจะต้องมีความเจริญงอกงามต่อไปอดีตมันก็ล่วงลับไปแล้วเอาคืนไม่ได้แต่ว่ามันมีผลมาถึงปัจจุบันแต่นี้สิ่งที่จะต้องทาก็คือปัจจุบันที่จะเป็นเหตุปัจจัยไปสู่อนาคต อนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญก็หมายความว่าบัดนี้ตัวผู้ที่เป็นผลผลิตจะเป็นอาชวภาพก็ตามท่านผู้อื่นก็ตามเนี่ยจะต้องมาคำนึงว่าเราจะมาช่วยกันร่วมกันอย่างไรในการที่จะมาสร้างสรรความดีงามความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือว่าการที่เรามาตั้งชาติภูมิสถานอะไรเกิดขึ้นเนี่ย ก็เป็นส่วนที่เราจะมาคิดถึงอนาคตนี้ด้วยก็คือการที่เรามาจัดกิจกรรมมาจัดกิจการจัดองค์กรจัดตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนที่จะไปหนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคตสืบไปนั้นสิ่งที่จะต้องคิดต้องพิจารณามากก็คือว่าเราจะทําอะไรเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามสืบต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือภารกิจที่อยู่ต่อหน้า อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเท่าว่าอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยการที่เราจะมีความเจริญรัยเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยเรียวแรงกําลังองค์ประกอบต่างๆมาเสริมมาอุดหนุนซึ่งกันและกันท่านที่ทํางานทางนี้อันนี้ขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งงานแบบนี้ก็แสดงถึงนักใจเขาพูดทําอย่างที่กล่าวแล้ว ที่ว่าท่านมีน้ําใจอยู่แล้วที่จะเอื้อกเกื้อหนุนต่อกิจการที่ดีงามที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนแก่สังคมส่วนรวมมาถึงกิจกรรมอันนี้ท่านก็จัดขึ้นมาแต่ถ้าเรามองไปในอดีตเนี่ยท่านเหล่านี้ท่านก็จัดทําสิ่งดีงามกุศลเหล่านี้มาอยู่แล้วอาจจะมาภาพจะยกตัว อ, อย่างง่ายๆก็อย่างหลวงพ่อวัดเสือเนี่ยท่านาพระครูโสพลสิทธิการเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะว่าท่านจะมาทํางานนี้เมื่อไหร่ท่านก็ สนใจในเรื่องงานบุญงานกุศลงานสร้างสรรค์ทำประโยชน์กับท้องถิน่นอะไรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่รู้กี่สิบปีนะแล้วก็งานของท่านก็คือการสร้างคนในเป็นสําคัญการบําเพ็ญประโยชน์การสร้างท้องถิ่นให้มีความเจริญงอกงามอยู่ในสันติสุขกระทั่งช่วยเหลือเกื้อกูลงานเผยแผ่สั่งสอนอบรมประชาชนอะไรแต่ไรใกล้ชิดเข้ามาจนกระทั่งถึงในวัดก็คือบทพระบทเนน ก็จัดกิจกรรมใช้การบวชเนนภาคฤดูร้อนมานานเป็น10บสปีจนกระทั่งบัดนี้เนนที่ท่านได้ให้บรรพชาที่บวชภาคฤดูร้อนเดือนหนึ่งเนะี่ยอยู่ต่อมาจนกระทั่งหลายองค์ก็ไปจบประโยค9้ามาแล้วเนี่ยมาเป็นกําลังของพระศาสนานี่ก็เป็นตัวอย่างก็คือว่าเราดูไปแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้ที่มาทํากิจกรรมความดีเหล่านี้ท่านก็ทําของท่านอยู่แล้ว แต่นี้เราก็มาให้เป็นกำลังร่วมกันว่าเออเมื่อเรามีมีกำลังมีบุคคลผู้เอาใจใส่ใน ก, กิจการส่วนรวมอย่างนี้แล้วเราทำไงให้กำลังเหล่านั้นมาสามารถขี่มาพร้อมเพรียงกันที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคตต่อไปตกลงก็คือเป็นอันว่าการที่มีงานนี้ขึ้นเนี่ยเป็นการประกาศว่าเรามีความดีและมีคนดีอยู่ในถิ่นอยู่แล้ว และเราก็กำลังเอาคนดีความดีนี้มาร่วมกันในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นแล้วขยายไปถึงสังคมประเทศชาติสืบต่อไปนี่ข้อสำคัญก็คือนอกจากความดีเหล่านั้นการที่จะเอาความดีคนดีมารวมกันได้ก็คือต้องมีพลังความสามัคคีตอนนี้ก็คือต้องมีความสามัคคีมาเป็นตัวที่มารวบรวมคนมารวบรวม ความดีมารวบรวมพลังความรู้สติปรรัญญาความสามารถเป็นต้นให้เข้ามาเป็นอันดึงอันเดียวกันพารวมกันได้ก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะขับดันให้ท้องถิ่นชุมชนสังคมประเทศชาติจเจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยทํามองในแง่นี้ก็เป็นการที่มันเป็นการประกาศความสามัคคีของญาติโยมชาวศรีประจนันชาวสุพรรณบุรีรวมกับชาวกรุงเทพชาวประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย เราได้ประกาศความสามาัคคีก็ขอให้โยมมีพลังความสามาัคคีนี้ต่อไปเพื่อจะให้ความสามาัคคีนี้เป็นพลังนาไปสู่ความสำเร็จนี่ความสามาัคคีเนี่ยทำไงจะเกิดขึ้นได้เราบอกว่าความสามาัคคีเนี่ยก็คือการที่พร้อมเพรียงกันมารวมตัวกันจะรวมกันได้อย่างไงทันที่จะรวมลึกลงไปมันต้องมีเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยอันหนึ่งที่สำคัญลมโยมก็จะบอกว่ามีศรัทธาไงเช่ว่าเรามีศรัทธาอย่างเรามีศรัทธาโย ม, มีศรัทธาในพระศาสนาโยมก็ไปรวมตัวกันที่วัดก็เกิดความสามัคคีได้ศรัทธาก็เป็นกำลังสำคัญอันหนึ่งนอกจากศรัทธาก็มีอะไรธรรมะอันหนึ่งที่สำคัญธรรมะก็คือคุณสมบัติในใจในตัวของเรานี่แหละอะไรแล้วก็คือฉันทะ ฉันทะก็แปลว่าความพอใจใฝ่ปรารถนาคนเหล่านี้ต้องมีความพอใจใฝ่รักฝ่ายปรารถนาอะไรอย่างน้อยว่าเรามีชอบใจอะไรเนะี่ยความชอบใจถ้าลงไปอันเดียวกันได้เนี่ยก็จะเกิดความสามคัคคีลงชอบใจคนละอย่างแล้วก็ยุ่งเกิดความแตกสามคัคคีพอความพอใจชอบใจลงกันได้ก็เป็นอันเดียวกันความพอใจนั้นทางพระทะ<ม>เลกว่าฉันทะ ประสานกันลงกันตรงกันทาเกวัสมานะทีนี้ถ้ามีฉันทะความพอใจฝ่ปรารถนาตรงกันเสมอการร่วมกันเป็นสมานะก็เรียกว่าสมานะฉันนั่นก็คือคำว่าสมานะฉันนั่นเองที่เราจะมีความสามัคคีได้ดีก็โดยมีสมานะฉันถ้ามีสมานะฉันแล้วเราก็จะมีความสามคัคคีที่ชาติีประจันมีความสามัคคีแสดงออกอย่างน้อย ในวันนี้เป็นตัวอย่างได้นี่ก็โดยมีตัวสมานชันนี่แหละโยมมีสมานฉันความพอใจฝ่ายปรารถนาะอันเดียวกันลองขุดค้นในภพก็จะเจอว่าเอ๊ะที่เรามาสามคัคคีได้คราวเนี้ยไอตัวสมานชันอันนั้นฉันทะอะไรหนอจับให้ได้แล้วอันนี้แหละเป็นแกนของความสามคัคคีมีฉันทะร่วมกันมีความพึงพอใจฝ่ายปรารถนาะเดียวกันทีนี้ความพอใจฝ่ายปรารถนาะที่ร่วมกันเนี่ย มันก็มีสองแบบคือความพอใจบางอย่างเช่นความชื่นชมในคุณงามความดีสิ่งที่ดีงามชื่นชมไปใจเราก็รวมกันไปนสามัคคีจริงเพราะว่าความพอใจนะั้นมายุดเดี่ยวใจให้รวมกันได้แต่ว่าชันทะที่ทำให้เกิดความสามัคคีแบบนี้เป็นความสามัคคีที่ค่อนข้างหยุดนิ่งมันไม่ค่อยก้าวไปข้างหน้า แต่ทีนี้ฉันทะที่แท้ฉันทะที่จะทำให้เกิดตัวพลังยิ่งใหญ่เป็นสามคัคคีความหมายที่ทําให้เกิดความก้ามหน้าได้ก็ต้องเป็นฉันทะที่แท้ฉันทะที่แท้ก็คือความพอใจฝ่ายปรารถนาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยมีใจฝ่ายปรารถนาที่เลยต่อไปถึงจุดหมายคือเรามองเห็นจุดหมายอะไรสักอย่างหนึ่ง เราใฝ่ปรารถนาต่อจุดหมายนั้นแล้วเราก็อยากจะทำการเพื่อจุดหมายนั้นตัวนี้เรียกว่าฉันทะที่แท้จริงถ้าอยากทำการเพื่อบรรลุจุดหมายนั้นขึ้นมาคราวนี้แล้วก็มันจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดความสามัคคีที่ไม่ใช่หยุดนิ่งจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำการคือเป็นการรวมตัวสามัคคีที่มีความมุ่งมัน่นที่จะเดินหน้าทาการอะไรต่ออะไรที่จะให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ผลสาเร็จที่ต้องการนั่น เราต้องการความสมานฉันอันนี้ประเทศชาติของเราเนี่ยก็เราต้องการสมานฉันนี้มากไม่ใช่ต้องการสมานชันเฉพาะที่ภาคใต้หรอกนายโยมต้องการเพราะทาไงจะให้เกิดสมานฉันที่ภาคใต้ปัญหาภาคใต้คิดแก้ปัญหาสมานฉันกันมาตั้งนานแล้วยังไม่สําเร็จสักทีแต่ที่จริงนั้นเราไม่ต้องไปรอสมานฉันนี้ต้องใช้ตลอดเวลา และสมานฉันเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้อย่าเอาสมานฉันเฉพาะแบบหยุดนิ่งไม่ใช่ว่าพอใจฝ่ปรารถนาชอบสิ่งที่ดีงามแล้วก็ใจชื่นชมก็รวมใจกันได้ก็อยู่นิ่งๆรวมกันเหมือนกันสามคัคคีแต่นี้ต้องรวมใจแบบว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างที่ว่าเออจะทำการนี้เพื่อจุดหมายนั้นคราวนี้เรามุ่งมั่นเดินหน้าไปเลยความสามัคคีแบบนี้จะมีพลังที่แท้จริง เราต้องการความสามคัคคีแบบนี้โดยเฉพาะเวลาเนี้ยสังคมประเทศชาติเราก็รู้กันอยู่ว่ามีปัญหามากอย่างน้อยต้องมีการแก้ไขพร้อมกันไปกับการสร้างสรรค์นั้นเพราะนั้นเราจะต้องมีสมานฉันกันให้มากเราพูดกันถึงสามคัคคีตอนนี้เรามีคำว่าสมานะฉันซึ่งเป็นคําเก่าแก่แลาเตมาก็เลยอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าที่จริงมันคาแสนจะเก่าคำว่าสมานะฉันเนี่ยนะ สมานณ์ฉันที่สาคัญก็คือสมานณชฉันที่จะมารวมสามัคคีทําให้ทําบุญจะเล่าเรื่องซักเรื่องหนึ่งโยมรู้จักพระอินทร์กันทุกท่านเนี่ยพระอินทร์เนี่ยก็เกิดจากสมานณชฉันนี่แหละถ้าไม่มีสมานณชฉันก็ไม่มีพระอินทร์แต่นี่เป็นพระอินทร์ตามคติพุทธศาสนาเลยโยมก็มาทวนเรื่องเก่ากันสักทีถ้าเป็นญาติโยมเก่าๆก็น่าจะรู้นะเรื่องพระอินทร์เนี่ยเกิดมาอย่างไรเรื่องพระอินทร์เนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวข้องที่บอกเมื่อกี้ว่าเกิดจากสมานฉันและเป็นการสมานฉันในการทําบุญกันเรื่องเป็นอย่างไรท่านก็เล่าไว้เนี่ยคำในบาลีนะัชัดเลยแล้วต้องโยมวิเคราะห์ด้วยว่าบุญที่ว่านะั้นคืออะไรบ้างในคำพีรนะ์้นท่านบอกไว้ว่ามีคนสาสาคนสาสาคนเนี่ยมาเป็นคําว่าดาวดึง ดาวดึงนี่เป็นชื่อสวรรค์แปลว่าสาเตติงสะภาษาบาลีส3สามคนนี่คือเป็นมานพเป็นชายหนุ่มชายหนุ่มสาคนในส3สามคนคนหนึ่งก็เป็นพระโพธิสัตว์อีกส2สองคนนันก็เป็นเพื่อนๆท่านก็กล่าวไว้บอกว่าชายหนุ่มส2สองคนหรือมานบเนี่ยได้มีสมานัดฉันกับพระโพธิสัตว์ในการที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ทำชุมชนนั้นให้สงบร่มเย็นปลอดภัยมีความสะดวกในการที่จะทำกิจการงานต่างๆเพื่อความจเจริญงอกงามและอยู่กับร่มเย็นเป็นสุขก็เลยมาพร้อมใจกันกับพระโพธิสัตว์นั้นเที่ยวทำบุญว่างั้นเที่ยวทำบุญในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปุญญานิการนตาวิจรันติ เที่ยวทำบุญนะ่พวกนี้สาคนเนะี่ยเที่ยวทําบุญเที่ยวทาบุญยังไงบ้างเรโยกฟังนะักความหมายคำว่าทำบุญเพราะจะได้เข้าใจขยายความหมายคำว่าทำบุญจะบ้างแล้วบุญอย่างเงี้ยสาคัญบุญที่สาสาคนที่จะไปเป็นดาวดึงธรรมนี่คืออะไรก็บอกว่าตื่นแต่เช้าก็ถือเอามีดขวานสากก็เงนินเลย หรือไม้พลองโตๆแล้วพากันไปถนนหนทางที่ไหนครุขระไม่เรียบร้อยก็ช่วยกันขุดช่วยกันถากช่วยกันถางช่วยกันปราบช่วยกันปรับให้ถนนเรียบราบสม่ำเสมอคนเดินทางจะได้ไปได้สะดวกที่ไหนติดขัดมีลำธารสายน้ําขั้นก็สร้างสะพานข้ามไปนี่สร้างสะพานแล้วก็ที่ไหนขาดแคลนสระน้ําไม่ค่อยมีน้ําก็ขุดสระน้ําให้ ในที่สุดก็สร้างศาลาศาลาก็เป็นที่พักคนเดินทางบ้างเป็นที่คนมาประชุมกันบ้างทำกิจกรรมต่างๆนี่เป็นตัวอย่างเมื่อมานพสามสิบสามคนนี้เป็นหลักในการทำบุญเหล่านี้แล้วต่อมาคนอื่นก็เลยมาร่วมแรงร่วมใจเช่นว่าฝ่ายฝ่ายผู้ผู้หญิงฝ่ายสตรีก็มาช่วยเช่นว่าคนกลุ่มนี้ไปสร้างศาลาที่พักอะไรแล้ว ก็ไปช่วยกระตกแต่งปลูกต้นไม้จัดสวนเป็นต้นก็เลยกลายเป็นว่าต่อมาชุมชนหมู่บ้านของเขานั้นก็ร่มเย็นมีความสงบสุขแล้วก็น่ารื่นรมด้วยแล้วก็ขยายไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนอื่นหมู่บ้านอื่นต่อๆไปนี่แหละคือคำว่าบุญที่ท่านกล่าวในคำภีบุญพื้นฐานเลยซึ่งโยมมักจะลืม เราเวลาจะทําบุญเนี่ยเรามักจะไปนึกกันแต่ว่าไปทําบุญที่วัดไปถวายอาหารอะไรต่างๆเราเนี่ยบุญในคำภี์แท้ๆแบบเนี้ยบางทีไมไ่นึกเลยการที่เราจะไปทําบุญที่วัดไปถวายพระตาหารได้ดีเนี่ยบ้านหมู่บ้านชุมชนอะไรของเราเนี่ยมันต้องดีด้วยถ้าเราทําให้หมู่บ้านชุมชนของเราดีมีความอุดมสมบูรณ์อยู่กันสงบเรียบร้อยดีแล้วเนี่ย เราก็พร้อมที่จะไปทําบุญที่วัดไปเลี้ยงพระเป็นต้นแล้วพระก็จะนีท่านก็จะสั่งสอนแนะนำให้เราเนี่ยมาอยู่กันอย่างดีมีความร่มเย็นเป็นสุขมีศีลมีธรรมมาช่วยกันสร้างสารรค์ชุมชนของเราอีกนะบุญอย่างเนี้ยนี่เป็นคำว่าบุญชัดๆเลยบางทีเราก็ไม่ได้นึกบุญของมานพสี่สิบไส่สามามคนเนี่ยที่มีม ะ, มะขามานพเป็นต้น ก็คือการที่มาช่วยกันถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็พัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนนั่นเองแต่ภาษาเก่าก็คือการที่ว่าเห็นแก่ประโยชน์สุขของชุมชนของหมู่บ้านแล้วก็มาช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์มาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคทำสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยความร่มเย็น ในที่นั้นก็เขาก็บอกไว้ด้วยพลพวกนี้ก็ช่วยแนะนําชักจูงคนอื่นที่เคยติดยาเสพติดรับประทานกินเหล้ามายาให้เลิกแล้วมาชวนกันบําเพ็ญตั้ง ต, องตนอยู่ในทานศีลภาวนาเป็นต้นมันคลุมไปหมดและบุญบุญเนี่ยมันต้องต่ในบ้านไปเลยดัง น, นั้นเราต้องหันกลับมาทบทวนความหมายคําว่าบุญด้วยถ้าทําบุญอย่างนี้แล้วก็ชีวิตดีงามแน่ทำให้ชีวิตดีงามสังคมหมู่บ้านดีงามแล้ว อันนี้ตรวจสอบได้ให้ไปดูเธอในคำภีเนี่ยท่านบอกเลยอาตมาพูดแล้วนี่เมื่อกี้บอกว่ามานบส3สคนนี้กระตืนเช้าขึ้นมาเนี่ยแกก็เอาอย่างเงี้ยท่านใช้คำว่าปุญญานิกรนตาวิจารณติเที่ยวทำบุญกันไปนะเที่ยวทำบุญเที่ยวทำความดีก็คือบาเพนประโยชน์ต่างๆถ้าสังคมไทยคิดกันอย่างนี้ทำบุญแบบนี้นะ แล้วเราจะไปประสานกับบุญชั้นสูงขึ้นไปที่เราทำกันอยู่แล้วเนี่ยสังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือความฝ่ปรารถนาต่อความดีงามความเป็นสุขความร่มเย็นความรื่นรมของชุมชนท้องถิ่นเป็นต้นแล้วก็ทำให้เรามีกำลังในการที่จะทำงานบาเพ็ญประโยชน์มีความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันนี้เป็นสมานฉันสมานฉันแบบนี้แหละ มันเกิดงานเกิดการที่แท้จริงเป็นการสร้างสรรค์ซึ่งไม่ใช่แค่แก้ปัญหาที่คนลบลาค้าฟันก่อการร้ายกันในภาคใต้เท่า น, นั้นน่ยมันก้าวไปยิ่งกว่านั้นมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาให้สงบจากการทะเลาะวิวาทแต่มันทำให้เกิดการสร้างสรรค์ก้าวหน้าต่อไปเพราะนั้นสมานณฉันนี่เราไม่ควรพูดอยู่แค่แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทแต่ต้องพูดถึงการที่จะมาช่วย สร้างความสามาัคคีในการสร้างสรรค์ความเจ ร, ริญก้าวหน้าต่อไปด้วยแม้ในสมัยต่อมาเอาล้วก็ไปอ่านว่าจบเรื่องนี้ตอนหนึ่งว่ามานพสามิบสามคนนี่แหละก็ได้ไปเกิดตายและไปเกิดในสวรรค์ก็เป็นตัวพระโพธิสัตว์โหน่านั่นเป็นพระอินทร์คือท้าวสักกะแล้วก็เรียกสวรรค์ชั้นนี้ว่าดาววดุมก็คือสวรรค์ชั้นสามบสามคนนี่เราดูต่อมา จากสมัยพุทธกาลเนี่ยเรารู้จักพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาคือพระเจ้าอาโศกมหาราชคิดว่าชาวพุทธทุกคนในรู้จักดีพระเจ้าอาโศกมหาราชจะเรียกว่าศีธรร ม, มาโศกก็ได้ก็ได้เพราะว่าเป็นพระเจ้าอาโศกผู้ทรงธรรมพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่ก็ทําบุญมากมายเหมือนกันแล้วก็ทําบุญแบบเดียวกับมานพสาบสานี่แหละ ตอนแรกนี่พระเจ้าอาโศกนี่ดุร้ายมากเขาเรียกว่าพระเจ้าจันดาโศกจันดาโศกว่าอาโศกผู้ดุเดือดหรืออโศกผู้ดุร้ายก็เที่ยวรบราฆ่าฟันแย่งชิงดินแดนชาวบ้านฆ่าคนตายมากมายเหลือเกินต่อมาสลดพระไทยก็หันมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ทำบุญทำกุศลแต่ก่อนมีทรัพย์หาลาบหาเงินหาทองก็เพื่อจะมาบำรุงบำเรอตัวเองเพื่อความยิ่งใหญ่ พอทีนี้หันมาปฏิบัติธรรมนับถือพุทธศาสนาแล้วก็เอาลาบยศเอาเงินเอาทรัพย์เอาความยิ่งใหญ่นั้นมารับใช้ธรรมะทาไงละ่ะเออทรัพย์กับกยศนี่ถ้าเอาไปใช้ในทางร้ายมันก็เบียดเบียนคมเหงผู้อื่นเดือดร้อนกันมากแต่ว่าถ้ามาใช้ทางดีนะทรัพย์ความยิ่งใหญ่เกียรติยศบริวารเนี่ยกลับเป็นโอกาสให้ทําการสร้างสารรค์ได้มากมาย คนเรามีสติปัญญาคิดดีอยากจะทำดีไม่มีทรัพย์ทำได้นนิดเดียวเองไม่มีกำลังไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะไม่มีอำนาจไม่มีบริวารก็ทำได้นนิดเดียวแต่ถ้าเป็นคนดีมีความคิดดีมีสติปัญญาแล้วทรัพย์ก็มีมากอานาจก็มีด้วยบริวารก็เยอะทีนี้จะทำงานใหญ่ทำการสร้างสรรค์ได้มากมายเหมือนพระเจ้าโศกเนี่ยก็เปลี่ยนเลยพลิกแต่ก่อนนี้ หาลาบหาเงินทรัพย์สมบัติหายศหาความยิ่งใหญ่เพื่อจะมาประกาศความยิ่งใหญ่ตัวเองเพื่อจะบำรุงเลอตัวเองตอนนี้เปลี่ยนเป็นพระเจ้าโสกผู้ทรงธรรมก็เอาเงินทองทรัพย์สินสมบัติอำนาจนั้นมารับใช้ธรรมะเอ้าวธรรมะท่านสอนว่าให้ทําความดีบ เ, เป็นประโยชน์ก็เอาทรัพย์เอายศเอาความยิ่งใหญ่นั้นไปทําความดีก็เลยทําได้มากมายเหลือเกินพระเจ้าโสกทําอะไรก็ทําคล้ายๆกัน มานบ33คนนั่นแหละแต่ว่าทําได้ในขอบเขตกว้างขวางมานบ33คนนั้นแกอยู่แค่หมู่บ้านแกก็ทําได้แค่หมู่บ้านชุมชนของแกแต่พระเจ้าอโศกดี่ทําได้ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศชมพูทวีปประเทศอินเดียสมัยนั้นเราเรียกว่าแควนมคตหรือชมพูทวีปเนี่ยใหญ่กว่าอินเดียปัจจุบันอีกไม่ต้องพูดถึงอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกมาราชที่ใหญ่ที่สุดในบทศิษย์ศัตร์ แม้แต่อินเดียปัจจุบันเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยหกเท่านะประเทศไทยนี่มีเนื้อที่ทลายห0 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรอินเดียมีเนื้อที่3 000, 000ล้านตารางกิโลเมตร3ล้านก็หกเท่าของเราเนี่ย 3, 000, 000, ล้านตารางกิโลเมตรพระเจ้าโศกทําอะไรพระเจ้าโศกเป็นมห า, าดานผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจเต็มมีทรัพย์สินเต็มที่ก็ทาความดีใหญ่ก็คล้ายๆกับมานพคนนั่นแหละ หนึ่งสร้างถนนทนทางสร้างถนนทนทางเชื่อมต่อท้องถิ่นต่างๆให้ประชาชนไปมาถึงกันได้สะดวกแล้วบนถนนทนทางเหล่านั้นน่าเป็นระยะระยะกี่กิโลเมตรจำไม่ได้ท่านใช้คาว่าครึ่งโกลสะกว่างนันตอนนี้ก็เถียงกันว่าไอ้โกลสะมาตรถปานี่มันกี่กิโลกันแน่ก็ไม่แน่นอนและเอาไปว่าจะสามสี่กิโลก็แล้วแต่ช่วงระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็สร้าง ที่พักคนเดินทางก็คือศาลานลั่นแหละสร้างที่พักคนเดินทางแล้วก็ปลูกป่าปลูกสวนปลูกต้นไม้ให้เป็นที่รื่นลมแล้วพระเจ้าอโศกก็ขุดอ่างน้ำอ่าเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำสาหรับเป็นการเกษตรชนระทานอะไรพวกนี้ขุดอ่างเก็บน้ำแล้วก็อะไรแล้วก็ปลูกป่ามากแล้วก็ปลูกป่าสมุนไพรนะ่ะสร้างโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลคนโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งหาได้ยากกันสมัยนั้น มีโรงพยาบาลคนแล้วยังไม่พอยังสร้างโรงพยาบาลสัตว์ด้วยแล้วก็หาพวกยาก็คือสมุนไพรสมัยนั้นมาเทอ่ปลูกไว้นี่ก็เป็นตัวอย่างของงานบุญที่พระเจ้าโศกได้ทรงทําไว้แล้วก็สร้างวัดทั้งหมด 84%,000 วัดท่านว่างานนั้นเรียกว่า 84,00 มวิหารทั่วมหาอาณาจักรวัดนี้ก็คืออะไรก็คือศูนย์กลางการศึกษาของประชาชนนั่นเองเพราะสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนในระบบปัจจุบัน โรงเยาบระบบปัจจุบันนี้เป็นระบบตะวันตกเราอมาจากเมืองฝรั่งทีนี้ของเดิมของตอวันออกนี่ก็วัดไปศูนย์กลางการศึกษาพระเจ้าอโศกมหาราชก็สร้างวัดมากมาย 84, มืพวัดแต่ยังไม่เท่าประเทศไทยนะเราคิดดูให้ดีประเทศไทยเรามีเนื้อที่ 5,000 500, 0ตารางกิโลเมตรเรามีส0 0 0 0วัดอันนี้ประเทศอินเดียนี่ใหญ่กว่าไทยเรา6เท่า ถ้าประเทศอินเดียใหญ่กับไทยหเท่าท่าพระเจ้าอโศกสร้างวัดให้มีอัตราส่วนเท่าประเทศไทยจะต้องสร้างกี่วัดสร้างกี่วัดก็ลองดูเรา3 0,000 ่นวัด3 0,000 วัดเอาหคูณเข้าไป3 6มหก็เป็นแสน0 0 0หวัดเนี่ยพระเจ้าอโศกยังสร้างได้แค่ 84%,00 มวัดเลยไม่เท่าเยีประเทศไทยนี่แสดงว่าเจริญด้วยวัดยิ่งกว่าสมัยพระเจ้าอโศกอีกแต่ว่าเออเราเจริญดีพอเหมือนพระเจ้าอโศกหรือเปล่านี่ต้องคิด ตรวจสอบตัวเองแล้วนะเรามีวัดมากอัตรา ส, ส่วนเหนือพระเจ้าอโศมตั้งเยอะพระเจ้าอโสมมีแค่8ปดหมสี่พัวัดในเนื้อที่ตั้งสมล้านตารางกิโลโมเมตรสมัยนั้นมากกว่านี้อีกถ้าหากว่า 84% ดหมพันวัดนี่มากกับเราแค่ล 2, 3, ถลายสองสามเท่าเท่านั้นเองดังนั้นเราต้องคิดให้ดีและนี่เราควรจะเจริญมากกว่าสมัยพระเจ้าอโศกอีกไม่รู้เราจเจริญจริงหรือเปล่าต้องมาคิดทบทวนกันใน แง่เนื้อหาสาระรวมความก็คือวัดนั้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาของมวลชนนี่คือพระเจ้าทรงมาแล้ก็ทําบุญอย่างเนี้ยเราต้องมาคิดเรื่องการทําบุญขั้นพื้นฐานนิดด้วยไม่ใช่ทําบุญกันแ ต, แ, ตแต่แต่เรื่องที่ไปวัดไปวาอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมาประสานกันแหละก็คือต้องโยงกันให้ได้หมดบุญที่ทําที่บ้านไปโยงกับบุญที่วัดแล้วบุญที่วัดนั้นก็มันก็กลับมาหนุนที่บ้าน เพไปทําบุญที่วัดนั้นพระท่านมีกําลังท่านมีคุณภาพดีท่านมีการศึกษาดีท่านก็มีธรรมะมาให้ก่โยมท่านกามาสอนโยมถึงวิธีดําเนินชีวิตถึงการที่จะมาขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ทําการงานทําความดีต่างๆก็ทําให้ชุมชนของเราดีอยู่กับร่มเย็นเป็นสุขมันก็เกืออ้อกูลซึ่งกันและกันพอชุมช น, ชนของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์เราก็เป็นอุปถัมภ์วัดได้ดีนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็เสื่อมหมด เพราะฉะนั้นต้องดูว่าวงจรของเราในเชิงอาศัยซึ่งกันและกันแบบนี้มันดีอยู่ไหมนะระหว่างวัดกับบ้านไปต้นให้เกิดหนูซึ่งกันและกันอันนี้อธรรมภาพก็เอามาเล่าเห็นว่าเรื่องสมานฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องทําให้เกิดให้มีให้ได้เป็นสมานฉันที่ทําให้เกิดความสามัคคีแบบที่มีความมุ่งมั่นก้าวหน้าในการทําการไม่ใช่เป็นความสามัคคีที่อยู่นิ่งเฉย โดยเฉ่าปัจจุบันนี้เราจะต้องมาคิดกันให้มากว่าเราจะเอาอยัางไงกับเรื่องของอนาคตของสังคมของประเทศชาติสังคมของเราเนี่ยสภาพปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราอยู่ในโลกาพิวัติเราจเจริญก้าวหน้าเรามีเทคโนโลยีมีไอทีะไรต่างๆมีสิ่ ง, สงเสพบริโภคมากมายอุดมสมบูรณ์ แต่ลองพิจารณาใช้ปัญญาตรวจสอบให้ลึกดูซิว่าความเจริญแบบไหนเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาความเจริญแบบที่เป็นอยู่เนี่ยน่าพอใจหรือยังใช้ปัญญาคิดพิจารณากันให้ดีไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าเขาว่าเจริญก็เจริญแล้วแล้วก็นิยมตามกันไปถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ได้ใช้ความคิดพิจารณาพูดง่ายๆก็คือไม่ใช้ปัญญานั่นเองใ น, นี้เรื่องของฉันทะที่แท้เนี่ยมันต้องมาจากปัญญา คือปัญญาคิดพิจนนารณาจนรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นประโยชน์แท้จริงแล้วพอเราแน่ใจว่าอันนี้แหละแน่แล้วดีงามเป็นประโยชน์แทนแล้วเนี่ยความพึงพอใจฝ่ปรารถนาที่แท้และมีพลังมันจะเกิดขึ้นและอันนั้นแหละคือฉันทะทีนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาไอ้ฉันทะมันก็จะเป็นเพียงความพอใจแบบที่ว่าชอบชอบถูกใจไปถูกตาถูกหูอะไรต่ออะไรไป ถือเพืินถ้าอย่างนี้ท่านไม่เรียกฉันท่าหรอกท่านเรียกอะไรรู้ไหมท่านเรียกว่าตันหาคือมันถูกตาถูกหูแค่นี้ยเรียกว่าตันหานะถ้าแค่ถูกตาถูกหูนี่เรียกว่าตันหาแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันดีแท้มันเกิดประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมมันเป็นความเจริญงอกงามอย่างนั้นมันเห็นได้ชัดได้ปัญญาแล้วถ้าพอใจอย่างนั้นท่านเรียกว่าฉันทะ นี้เราต้องมาตรวจสอบว่าเราเนี่ยพอใจได้ตัณหาที่พอใจได้ฉันทะถ้าพอใจได้ฉันทะเอาได้พอใจได้ฉันทะนี่ปัญญามันชัดแล้วความพอใจนั้นจะมีกําลังทําให้เกิดการกระทําแล้วเราจะมุ่งไปและจะเกิดสมานฉันอย่างที่ว่าเมื่อกี้เราจะก้าวไปในการสร้างสรรค์คุณความดีนี้สิ่งที่เราต้องการเวลาเนี้ยก็สมานฉันที่มันมีความหมายในการสร้างสรรค์ที่แท้จรงิง เพราะฉะนั้นเราจะต้องชวนกันและมาพิจนารณาคิดกันให้ชัดอย่างน้อยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าความเจริญอะไรเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือความเจริญที่พึงปรารถนาเป็นอย่างไรความเจริญอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้พึงปรารถนาดีไหมความเจริญที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ก็ข่าวอาทยากรรมทะเลวิวาทแย่งชิงทรัพย์ค่ากันตาย คมขืนผู้หญิงฆ่าเขาตายอีกแล้วก็ติดอบายามุกหลงหมกบุนในเรื่องการพนันการสุราเมาีไรสิ่งเสพติดสารพัดแล้วก็เอารัดเอาเปรียบวุ่นวายกันต่างๆจนกระทั่งเด็กของเรานี่ก็เป็นที่หนักใจของพ่อแม่ไปหมกบุนในเรื่องยาเสพติดบ้างไปโม่สุมกันต่างๆไปทะเลาะวิวาทกัน อย่างน้อยก็มาอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ได้แต่หาสิ่งเบริโภคหาความสนุกสนานโมเมาเพลิดเพลิน อ, อะไรต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้แม้แต่ในทางร่างกายสุขภาพกําลังมีแนวโน้มว่าเด็กของเราก็จะกลังจะเป็นโรคอ้วนตามฝรั่งด้วยเวลานี้ประเทศอเมริกาในสังคมเขากําลังมีปัญหาใหม่คือโรคอ้วนในโรคอ้วนนี้หมอไทยก็ตอนนี้กําลังไปดูงานที่เมืองอเมริกาเพื่อจะมาแก้ปัญหา รับมือกับสังคมไทยหรือเด็กไทยที่กําลังจะเต้นเป็นปัญหานี้ก็คือโรคอ้วนก็ทํำยังไงเขาจะต้องแก้ปัญหาโรคอ้วนในการผ่าตัดกระเพาะไทยเป็นโรคอ้วนก็เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดกระเพาะกระเพาะที่มันใหญ่สองกำปั้นเนี่ยผ่าให้มันเหลือจุแค่1 5บหซีซีว่างอันนี้ตอนนี้จะกินได้น้อยก็บังคับตัวเองก็เลยไม่อ้วน ต่ว่าถ้ากินไปกินไปเขาบอกว่าไอ้กระเพาะเนี่ยมันจะยืดไปอีกเดี๋ยวมันก็ใหญ่อย่างเก่าเพราะนั้นปัญหาก็คือเนี่ยต่อไปเมืองไทยก็จะกระทบการเรื่องแม้แต่โรคอ้วนเนี่ยเราชอบไหมความจเจริญแบบนี้เด็กของเราจะมีชีวิตที่ดีไหมโลกของเราจ ะ, จะเจริญร่มเย็นเป็นสุขไหมสังคมของเราจะเป็นที่น่าพึงพอใจจะร่มเย็นลื่นลมหรือเปล่ามองไปดูหน้าคนก็เครียด เศร้ามองขุนมัวนะคนหน้าหมองมองไปทิ้งท้องฟ้ากระมือดมัวด้วยหมอกขวัญนนะมีมลภาวะมากมายธรรมชาติก็ไม่รื่นลมนะต้นไม้ต้นไรก็น้อยลงไปป่าก็จะหมดอะไรต่างๆแเหล่านี้เนี่ยความเจริญแบบนี้น้ำเสียดินเสียอากาศไม่บริสุทธิ์เลยต่างต่างเหล่านี้เราชอบไหม ถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเราบอกว่าเออมันไม่ดีความเจริญแบบนี้เราควรจะเปลี่ยนเราน่าจะมีความเจริญก้าวหน้าแบบที่พึงปรารถนาที่มันเจริญก้าวหน้าไปในสันติสุขที่น่ารื่นลมชีวิตคนก็ดีมีความสุขสยามก็ยังเป็นเมืองแห่งความยิ้มแย้มคนก็น้าตายิ้มแย้มต่อกันมี ม, มิตรจิตมิตรภาพ นะช่วยเหลือเกื้อกูลการไม่ทะเลาะวิวาดการไม่แย่งชิงอะไรคมแห่งเบียดเบียนซึ่งกันและกันเด็กๆของเราก็อยู่กับครอบครัวก็อยู่ด้วยกันมีความสุขลูกกับพ่อแม่ก็ยิ้มแย้มเข้าหากันมีความอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราชอบไหมความเจริญแบบนี้แล้วตลอดไปจนกระทั่งว่าธรรมชาติต่างๆโดยทั่วไปก็รื่นลมนะไปไหนก็สุขสบายใจเห็นป่าไม้เขียวขจีอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรา ชัดว่าเราต้องการความเจริญที่ก้าวหน้าไปในสันติสุขมีความร่มเย็นชีวิตคนก็ดีสังคมก็มีสันติสุขแล้วก็ธรรมชาติก็น่ารื่นรมโลกนี้ง่ายอยู่อาศัยเราก็ต้องคิดใหม่แล้วก็ทําใหม่แต่ทําใหม่ในแบบที่ว่านี้ที่ประกอบด้วยทำนะทำใหม่ก็ต้องทําใหม่ในทางที่ถูกต้องที่เป็นกุศลประกอบด้วยทำคือประกอบด้วยปัญญาที่แท้ที่ทําให้เกิดฉันทะที่เป็นสมานฉันท์ที่ถูกต้อง ถ้าอย่างนี้แล้วเราคิดกันชัดแล้วเราก็จะได้มาเดินหน้าไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องของงานในเรื่องชาติภูมิสถานนี่อติภาพว่าก็เป็นส่วนปรากฏชัดออกมาอันหนึ่งเป็นประจักษ์พยานของการที่โยมอย่างน้อยตั้งแต่ชาวศรีประจันเป็นต้นไปเนี่ยมีคุณธรรมมีความดีงามมีความสามคัคคีมีสมานฉันท์แล้วแหละแต่ว่าเราคงไม่หยุดเท่านี้เราจะต้อง นึกถึงสมานะฉันฉันท่อะไรที่เราจะมามารวมเราให้มีใจร่วมในการมุ่งมั่นทําการเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมกันต่อไปเพราะฉันท่แต่ละอย่างเนี่ยถ้าเป็นฉันท่ที่จะทําการเพื่อความมุ่งหมายอะอันหนึ่งเมื่อจุดหมายนั้นมันจบแล้วเนี่ยนะไอ้ตัวฉันท่าเนี่ยมันจะสิ้นสุดได้พอฉันท่านั้นสิ้นสุดเรียความสามัคคีมันก็ชักจะหงงเหวงมันชักจะเลื่อนลอยมันไม่จุดจุดจับ สามัคคีมันต้องอาศัยตัวฉันทะเป็นจุดจับเพราะนั้นถ้าเรามีสามัคคีกันเพื่อทำการอันหนึ่งพการนั้นจบแล้วเราต้องรีบหาฉันทะตัวต่อไปนั้นโยมทำถ้าหากว่าญาติโยมมีสามัคคีด้วยสมานฉันคือฉันทะที่จะทำชาติภูมิสถานนี้ให้เสร็จถ้าตอนนี้นโยมทำเสร็จแล้วบรรลุจุดหมายของฉันทะแล้วทาไงทีนี้ จุดหมายของชันท่ามันจบแสลาทีนี้ก็จะไม่มีตัวยุดละสี่สามมิคีนะทีนี้ถ้าสามมิค์นี้เป็นเพียงที่นี้ที่น่าชื่นชมมันก็จะเป็นสามมิคีประหยุดนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องก้าวต่อก็คือต้องหาชันท่าที่จะเป็นตัวที่ทําให้ทําการเพื่อจุดหมายต่อไปตอนนี้เราทําเพื่อท้องถิ่นเราก็จะต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนร่วมในสังคมประเทศชาติ ที่เป็นส่วนรวมมันกว้างกอ่าไปก็คือก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเราทั้งหลายจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ชาติภูมิสถานนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามีสมานชันก้าวมาขั้นหนึ่งแล้วและจะเป็นเหตุปัจจัยให้เรามีสมานฉันขนาดใหญ่ที่จะก้าวไปสู่การที่จะสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความดีงามให้เป็นสังคมที่มีสันติสุข จเจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริงปัญหาปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองว่าโลกเนี้ยไม่ใช่ว่าจเจริญงอกงามไปในทางที่ถูกต้องเมื่อเราไม่ได้คิดวิเคราะห์อย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วถ้าเรามั่นใจเราจะสร้างความจเจริญที่ดีงามที่ว่าก้าวหน้าไปในสันติสุขเราก็จะแม้แต่ว่าจะต้องคิดที่จะเป็นแม้แต่เป็นผู้นำ หรือเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ความเจริญแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องชวนกันก้าวต่อไปอันนี้ก็คือจะต้องมีการคิดมีการใช้ปัญญากันอย่างจริงจังนี้อัตมาภาพก็ขอมอบแนวความคิดอันนี้ไว้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นเครื่องประกอบในการที่อนุโมทนาชาวศรีปรตัตนและชาวสุพรรณบุรีทั้งหมดที่รวมทั้งญาติโยมชั่วประเทศไทย ในหน่วยงานต่างๆทั้งหลายที่ท่านมีน้ำใจเป็นกุศลมาร่วมกันสร้างงานอันนี้ให้เกิดขึ้นท่านมีน้ำใจต่อธรรมภาพเหมือนกับว่ามาสร้างอันนี้ให้โดยจิตใจเนี่มารวมว่าสร้างประชาติภูมิสถานปอประยุตโตเลยมาอยู่ที่เชื่อธรรมภาพแหละทีนี้หน้าที่ของท่านผู้จัดทาทั้งหลาย มีชาวศีประจันเป็นต้นนี่ก็เหมือนบรรลุจุดหมายเป็นความมีน้ำใจที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ดีแล้วหน้าที่ของท่านเหมือนจบไปตอนหนึ่งแล้วนี่ก็เลยตกมาถึงอัติภภาพคือเหมือนกับว่าทำเสร็จแล้วนะ่ะยกให้ท่านแล้วบางทีท่านเปิดนี่พอยกมาให้อัติภภาพแล้วทำไงอัติภภาพก็ต้องตอบแทนน้าใจท่านอัตภาพก็ตอบแทนนะบอกว่า โมทนาเต็มที่เลยโยมที่ให้ทํามาให้อัตมภาพนี้ทีนี้อัตมภาพก็ขอโอกาสก็มอบกับให้โยมและทีนี้นี่ตอนนี้ก็ขอมอบชาติภูมิสถานปอประยุทธ์โตนี่ให้แก่ญาติโยมชาวศรีประจันตลอดไปถึงชาวสุพรรณบุรีเป็นต้นไปเลยนีเพราะฉะนั้นชื่อของชาติภูมิสถานนี้ก็จะมีชื่อยาวออกไปอีก แม้จะไม่ออกเป็นลายละอักษรแต่ให้รู้กันนะให้รู้กันว่าชาติภูมิสถานนี้มีชื่อยาวกว่าที่ปรากฏเป็นลายละอักษรชื่อยาวนั้นว่ายังไงก็บอกว่าชาติภูมิสถานปอประยุตโตของชาวศรีปัจจันทร์ว่างั้นเอานะทินิยมรับไปด้วยน<笑><笑><笑><笑>ก็เป็นของโยมและวแต่ว่าไม่ใช่สั้นแค่นั้นนะก็ไปอ่านว่านี่ท่อนที่หนึ่ง ชื่อนี้ยาวกว่านั้นแต่ยาวบอกทีเดียวแล้วยมจำไม่ไหวนิยาวต่อไปยังไงชื่อนี้ก็ขอบอกต่อเพราะว่าชาติภูมิสถานปอประยุท์โตของชาวศรีประจันและพวงชาวสุพรรณบุรีที่จะร่วมเป็นกำลังของสังคมไทยในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวออกไป อย่างสง่างามในท่ามกลางสังสมาคมประชาชาติอ๋อขอภัยในท่ามกลางอ้าวดูสิสมองติดขัดเลยแหละขอภัยต้องพูดใหม่และเนีต้องชื่อเต็มต้องพูดใหม่บอกว่าชาติภูมิสถานปอประยุทธ์โตของชาวศรีประจันท์ และพวงชาวสุพรรณบุรีที่จะรวมกำลังที่จะรวมกำลังดูสิสมองเนี่ยภาพต้องขอภัยเนี่ยพอถึงตอนสาคัญเหมือนกับทาพิษและวนที่จะรวมกำลังอ้อนำประเทศไทยก้าวออกไป อย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลกเอาเง้นกันแล้วกันอา้าวต้องเพิ่มพูดอีกทีหนึ่งให้เต็มเราว่าชาติภูมิสถานปออประยุท์โตของชาวศรีประจันและปวงชาวสุพรรณบุรีที่จะร่วมกำลังกับสังคมไทย ในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวออกไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลกเอาละอย่างนี้ก็ไปทวนกันอีกทีก็ได้เอาอย่างนี้แหละนี่แหละมันจะมีความหมายถ้าโยมทำอันนี้ได้มันจะมีสมานฉันต่อคือภารกิจรอหน้าเราเยอะเลยเราจะต้องสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามปัญหารอเราเยอะเลยนในด้านหนึ่งเรามีความสุขสดชื่น พอเราได้ทําความดีได้ประสบความสําเร็จแต่อีกด้านหนึ่งเรามองว่าสังคมของเรามีปัญหายังเยอะแยะหมดเลยลเราจะต้องช่วยกันแก้ไขแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นคงไม่เหลือบากกว่าแรงถ้าเรามีน้ําใจที่มีสมานฉันอันเกิดจากปัญญาที่ชัดเจนอย่งที่ว่าแล้วก็มีความสามัคคีในการมุ่งมั่นทําการต่างๆสืบต่อไปวันนี้อาจภาพก็ได้กล่าวมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็นึกว่า จะเป็นการอนุโมทนาได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถือว่ายังไม่เต็มแต่น้ำใจโยมถือว่าบุญกุศลที่ญาติโยมทํากันเนี่ยทำมามากแล้วแต่ว่าต้องทํากันต่อไปคือบุญกุศลที่เป็นเรื่องไม่จบมันต้องก้าวหน้าไปเราเรียกว่าก้าวไปในบุญคนเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาชีวิตให้เจริญ ง, งอกงามไปเรื่อยทําให้บุญกุศลเจริญขึ้นไปอย่างภาษาพระท่านบอกว่า บุญตอนแรกมันก็เป็นกามาวาจรกุศลต่อไปเจริญเป็นรูปาวาจรกุศลเป็นอรูปาวาจรกุศลเป็นโล ก, กุตรกุศลก็มีเป็นขั้นๆต่อไปเราต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆอย่ามองอะไรแบบหยุดนิ่งอันนี้สมาณะฉันของเรานี้ก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งและที่เป็นแกนสําคัญเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าฉันทะเนี่ยเป็นเหมือนนุ่งอรุณของชีวิตที่ดีงามเขาเรียกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรค ถ้ามีชั้นท่าแล้วเนี่ยมักวิถีชีวิตแบบชาวพุทธจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการศึกษาที่แท้จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่มีชันท่าเราก็อยู่เนี้ยไม่รู้จะคิดอะไรได้แค่ถูกตาถูกหูถูกลิ้นถูกอะไรแต่อะไรแล้วก็ติดใจเพลิดเพลินหลงไปท่านเรียกว่าอยู่แค่ตัณหานี่ถ้าว่าเกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าอะไรดีแน่นอนเป็นประโยชน์แท้จริงแล้ว ชันทะาเกิดขึ้นอันนี้เป็นกุศลนั่นแหละเราจะก้าวหน้าอย่างแท้ จ, จริงก็ขออนุโมทนาญาติโยมชาวศรีประจันและก็ญาติโยมท้องถิ่นทั้งหมดใกล้เคียงทุกแห่งจึงนกระทั่งเพื่อนร่วมชาติและก็มาถึงพระเถรานุเถระมีหลวงพ่อวัดเสือเป็นต้นที่ได้เป็นกำลังสำคัญตั้งแต่ริเริ่มในการที่ดำเนินการให้เกิด ชาติภูมิสถานปอประยุทธ์โตและมูลนิธิชาติภูมิปอประยุทธ์โตนีิขึ้นก็ขอตั้งจิตตั้งใจเป็นกันลยาณนชัชชนทะอารัตนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรพระรัรนตนยะนุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้ประเพนด้วยคุณธรรมมีศรัทธาและเมตตาไมาตรีเป็นต้น จงเป็นปัจจัยอมีกำลังอวิบาลอวยัยให้ชาวศรีประจัน์พร้อมทั้งชาวสุพรรณบุรีทั้งปวงตลอดถึงญาติโยมพวงชนชาวไทยตลอดกว้างขวางขยายไปทั่วโลกจงได้เจริญงอกงามในกุศลในความดีงามในการทากิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าที่ประกอบด้วยทำให้ประสบความสาเร็จสงความมุ่งหมาย มีกำลังที่จะแผ่ขยายประโยชน์สุขไปให้ประโยชน์สุขนั้นเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนท้องถิ่นแก่สังคมประเทศชาติและช่วยกันทำให้โลกนี้ก้าวไปในสันติสุขตลอดการทุกเมื่อเทิน